หรือกลุ่มผู้ที่เข้าใจผิดโดยไม่รู้ตัวดาวน์โหลดต้นฉบับหนังสือเพื่ออา่านหรือนำไปพิมพ์แจกเองได้ที่ jozho.net เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุ ญ, ญาตเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น